ธรรมะที่อุปมาด้วยทุนทุนนี้บาลีว่าไงนะ<ม>ยังยังไม่เคยสังเกตเ น, นะขอมาก็ไม่ได้สังเกตว่าเอ่อทุนนี่คืออะไรคือโดยศั์บาลีนะหมายถึงสั์บาลีอ่าพระองค์จักแสดงธรรมะที่อุปมาด้วยทุนถ้าเป็นสูตรก่อนนี่อุปมาด้วยอะไรโดยเลื่อยกะกะจูอุปมาสูตรนี่อุปมาด้วยเลื่อยพระสูตรนี้ก็อุปมาด้วยทุนพระพิสุก็รับคําพระผู้มีพระภาคเจ้าก็ตรัสว่าพิกษุทั้งหลายเปรียบเหมือนบุรุษผู้เดินทางไกล พบห่วงน้ําใหญ่ฝั่งนี้น่ารังเกียจมีภัยตั้งอยู่เฉพาะหน้าฝั่งโน้นเกษไม่มีภัยก็เรือหรือสะพานสําหรับข้ามเพื่อจะไปสู่ฝั่งโน้นก็ไม่มีะนะฝั่งนี้มีไัยเฉพาะหน้าเต็มไปหมดเลยใช่ัหมฝั่งโน้นก็เกษปลอดภัยต้องข้ามห่วงน้ําใหญ่ที่จะไปฝั่งโน้นได้เรือและแพก็ไม่มีที่จะข้ามฟากสะพานก็ไม่มีบุรุษนั้นก็คิดอย่างนี้ว่าห่วงน้ํานี้ใหญ่แล ฝั่งข้างนี้ก็น่ารังเกียจมีภัยตั้งอยู่เฉพาะหน้าฝั่งข้างโน้นก็เกษตรไม่มีภัยก็แหละเรือหรือสะพานสําหรับเพื่อข้ามไปสู่ฝั่งโน้นย่อมไม่มีถ้าใครเราพึงรวบรวมหญ้าไม้กิ่งไม้ใบไม้มาผูกเป็นทุ่นแล้วอาศัยทุ่นนั้นพยายามด้วยมือและเทา้า ถึงข้ามถึงฝั่งได้โดยสวัสดีทีนั้นบุรุษนั้นก็ทําอย่างที่ตัวเองคิดทีนี้ก็พ อ, อทําทุ่นสร้างทุ่นเสร็จก็ขึ้นไปบนทุ่นใช่ไหมพยายามด้วยมือและเท้าข้ามถึงฝั่งโดยสวัสดีบุรุษนั้นข้ามไปสู่ฝั่งได้แล้วก็ดําเบรดังนี้ว่าทุ่นนี้มีอุปการะแก่เรามากเราอาศัยทุ่นนี้พยายามอยู่ด้วยมือและเท้าข้ามถึงฝั่งได้โดยความสวัสดีถ้ากระไรเรายกทุ่นนี้ขึ้นบนศีรษะหรือแบกที่บา แล้วเดินหลีกไปตามความปรารถนาใช่ไหมทุนนี้มีอุปการะมากก็เลยอยากจะแบกทุนไปด้วยเอาไหมไม่เอาอนะพิสูจนทั้งหลายเธอทั้งหลายจะสําคัญความข้อนั้นเป็นไงนะบุรุษนั้นผู้กระทําอย่างนี้ชื่อว่าจะทําถูกหน้าที่ในทุนนั้นบ้างหรือไม่นะฮะโอ้ทุนนี้มีอุปการะมากก็เลยแบกมาด้วยเลยเหมือนอะไรนะเหมือนไม้ข้ามสะพานทําไม้ข้าเอเอาไม้มาทาําสะพานเนี่ยโอ้สะพานนี้มีอุปการะแกเรามากแบกสะพานไปด้วยงั้นนะก็ไม่มีใครก็ทํางั้นหรอก หรือในหนึ่งก็ได้เวลาขึ้นรถเนี่ยเห็นลังแป๊ปซี่ไหมเห็นโอ้มีอุปการะา ม, มากช่วยเราขึ้นลงก็แบกไปด้วยดีกว่าไม่ <c oughs> มีใครก็ทําอย่างนั้นหรอกเพราะว่าใครที่ทําอย่างนั้นก็ชื่อว่าทําไม่ถูกใช่ไหมทําไม่ถูกในเรือในแพเนี่ยนะโ อ, โอ้รถนี้ดีมากเลยนะขนเรามาตั้งแตลุมพีนีมา น, นี่ขึ้นไปห้องนอนยกไปด้วยนั น, น, น, นะก็ไม่มีใครเขาทาอย่างนั้นหรอกคือถ้าใครที่คิดจะแบกไอ้พวกนั้นไปด้วยนี่ก็ถือว่าทําไม่ถูกในสิ่งนั้นๆฉันใดพระองค์ก็ตรัสว่า บุรุษนั้นทําอย่างไรจึงจะชื่อว่าทําหน้าที่ถูกในทุนนะหรื อ, อแบบแบบออกไม่ใช่เพื่อต้องการยังไงจึงจะชื่อว่าทําหน้าที่ถูกกับรถใช่ไหมเอาเข้าห้องด้วยด้วยเอาแบกรถบัดเนี่ยขึ้นห้องด้วยไม่ต้องแล้วทํำยังไงอ่ะที่ถูกเขาไปจอดไว้ที่โรงจอดรถนั่นแหละแค่นั้นก็พอแล้วว่างนันเพราะฉะนั้นถ้าจะให้ถูกนี้ก็ยกทุนนั้นอ่ะขึ้นวางไว้บนบกหรือว่าให้มันลอยอยู่ในน้ํานั่นแหละ ตัวเองก็ไปได้ตามที่ปรารถนาตามที่ต้องการใช่ไหมอันนี้แหละจึงจึงเป็นการถูกต้องพองก็ตรัสว่าฉันใดก็ฉันนั้นทิกสูทั้งหลายเราแสดงธรรมมีอุ ป, ปมาด้วยทุนเพื่อต้องการสลัดออกไม่ใช่เพื่อต้องการยึดถื อ, อ น, นะงต้องการสอนปริยัตทั้งหมดนี่เพื่ออะไรเพื่อให้ฟังปริยัตให้เข้าใจเมื่อฟังปริยัตจนเข้าใจ ก็จะปฏิบัติในสมถะและวิปัสนาเมื่อปฏิบัติในสมถะวิปัสนาก็บรรลุมรรผลแทงตลอดอมตะนิพานพระองค์ก็ไม่ได้สอนให้มาแบกปริยัติต่อไปไม่ได้เพิ่มมุ่งให้เธอเนี่ยนะเธอต้องแบกปริยัติเข้าไว้นะเธอต้องแบกอริยมรรอาไว้ตลอดไปนะใช่ไหมไม่ใช่พระองค์สอนธรรมะทั้งหมดเพื่อให้แทงตลอดอมตะธาตุอมตะธรรม พันธรรมะที่พระองค์แสดงมีอุปการะมากเนี่ยสมถาวิปัสนาเนี่ยที่พระองค์แสดงก็เพื่อสลัดออกไม่ใช่เพื่อการยึดถือเพราะฉะนั้นเธอทั้งหลายพึงรู้ทั่วถึงธรรมะอันมีอุปมาด้วยทุ่นที่เราแสดงแล้วแก่ท่านทั้งหลายพึงละแม้ธรรมทั้งหลายจะป่วยกล่าวไปใหญถึงอธรรมเล่าขนาดสมถาวิปัสนาพระองค์ยังสอนให้ละใช่ไหมคือให้ตัดชั้นราคาในสมถะและวิปัสนาจะกล่าวไปใหญ่ถึงอย่างอื่นเล่า จะเห็นว่าเออพระพุทธศาสนานี้เป็นศาสนาที่สะอาดบริสุทธิ์อย่างแท้จริงเลยนะให้เจริญกุศลให้มากไม่ประมาทในกุศลแต่ไม่ให้ยึดถือในกุศลก็ให้ปล่อยกุศลไปอีกครั้งหนึ่ง น, นะนะถาม้าหากว่าเราไม่ปล่อยกุศลเนี่ยเราจะเกาะขึ้นข้ามถึงฝั่งคือพระนิพพานได้ไหมไม่ได้เนี่ยนะจะถามสนทนาไดไหมยนอัตถาไม่ทราบเดี๋ยวจะอ่านถึงมั้งครับเรื่อง ผู้ดชนที่ส่งปริยัตท่านบอกว่าถ้าผุ้ดชนผู้ทรงปริยัติเนี่ยเรียกว่าพันธาพันทาคาริกหรือเปล่าแล้วก็บอกว่าไม่เป็นเพราะว่าไม่ตั้งอยู่ในฐานอะไรฮะศึกษาหรือไงเนี่ยตรงนี้ยังสงสัยอยู่นะว่าคือปริยัตินี่แบ่งออกเป็นสาใช่หมหนึ่งอลลัคทูปมาปริยัติสองนิสรณะปริยัติสาพันดาคาริกปริยัติ ผู้ที่เรียนเพื่อหวังจะยกตัวเองเพื่อจะขมผู้อื่นเรียนเพื่อลาบสการะเรียนเพื่อปัจใจสี่เป็นต้นเนี่ยนะอันนี้เรียกว่าละคัตโทปมาปริยัติปริยัติที่ประดุด จ, จับเังยังไม่ได้บรรลุเป็นพระอริยเจ้ายังไม่ได้บรรลุมรรคผู้ที่ศึกษาแล้วปฏิบัติตามเนี่ยนะยังไงก็ไม่ชื่อว่าเป็นธรรมพันธาคาริกริเราะเป็ น, นิสรณัฐปริยัติ <laughs> เป็นปริยัติที่ศึกษาเพื่อออกจากวัตฏะ ส่วนพระ้าหันทั้งหลายท่านเรียนปริยัตเพื่อรักษาแบบแผนรักษาวงเอาไว้เนี่ยนะเพราะเห็นว่าพระธรรมนี้เป็นธรรมอันดีทีนี้ก็มีคําถามว่าอ้าวแล้วปุตุชนทั่วไปเนี่ยนะที่เรียนเพื่อรักษาคำเพียไว้ชื่อว่าเรียนเพื่อรัอกษาหรือไม่เขาบอกไม่ใช่เพราะว่าอะไรเพราะว่าตัวเองยังไม่ได้บรรลุปเป็นพระอริยเจ้ายังไม่ได้บรรลุมรรคผลเนี่ยการเรียนของท่านอย่างนั้นเหล่านั้นเนี่ยนะยังไงก็ไม่ชื่อว่าเป็น ธรรมพันธาคาริกเรียนเพื่อรักษาเพราะอะไรเพราะตัวเองยังยังยังทำกิจไม่เสร็จเนี่ยนะตัวเองยังทํากิจตัวเองไม่เสร็จเลยนะเหมือนเขาว่าอะไรนะถ้าเปรียบเรีย บ, บเหมือนก็ผู้ที่เรียนยานะเรียนเพสัชทั้งๆ้งที่โรคเต็มตัวไปหมดเลยเนี่ยนะเนขะบอกว่าเรียนเพื่อรักษาแบบแผนของยาพูดถูกไหมอย่างนี้เพราะตัวเองก็ยังเป็นคนป่วยอยู่ใช่ไหมจริ ง, รงๆก็แสดงว่าเรียนเรื่องยาทั้งหมดก็เพื่อ เพื่ อ, อรเพื่อรักษาตนเนี่ยนะถ้ารักษาตนได้แล้วเนี่ยถ้าตัวเองหายจริงแล้วนะก็ยังรักษาแบบแผนนั้นต่อไปอันนี้จึงชื่อว่าพันดาคาริกอย่างแท้จริงศึกษาพระธรรมก็เหมือนกันถ้าหากว่าตัวเองยังมีกิเลสอยู่นะอย่าคิดนะว่ารักศึกษาเพื่อรักษาแบบแผนเอาไว้รู้สึกจะมีพยัญชนะนะครับท่านบอกว่าไม่ตั้งอยู่ในฐานะศึกษาหรยอไงครัถ้าอย่างนี้ผู้ที่ส่งปริญัติไว้ด้วยความเคารพแต่ว่ายังไม่บรรลุเนี่ย อันนี้ก็จะไม่จัดอยู่ในการศึกษาทั้งสามประเภทนี้แล้วครับแล้วก็ยังไม่น้อมไปในการที่จะปฏิบัติเพื่อออกจากวัฏฏะด้วยอนี้ก็ที่ถามว่าก็พวกคันธัตุระเนี่ยนะถามว่าเมื่อเมื่อพวกคันธัตุระไม่สามารถจะอยู่ในที่แห่งหนึ่งเพราะชาตกะภัยเป็นต้นปุตุชนใดเมื่อไม่ลำบากด้วยพิขาจารย์เองเล่าเรียนด้วยคิดว่า ขอพระพุทธวจนะที่ภัยราะอย่างยิ่งอย่าสูญเสียไปเราจักดำรงแบบแผนรักษาประเพณีไว้ปริยัตของปุตุชนนั้นเป็นพันดาคาริกปริยัติหรือไม่เป็นตอบว่าไม่เป็นถ้ายัางเป็นปุตุชนแล้วเรียนปริยัตเนี่ยนะถึงจะเรียนบอกว่าอย่าปริยัตเหล่านี้ที่ดีอย่างนี้อย่าได้สูญไปเลยปุตุชนที่ว่าตัวเองเรียนเพื่อรักษาก็ยังไม่เรียก ว, ว่าเป็นพันดาคาริกพันดาคาริกคือผู้เก็บรักษาเนี่ยนะ ปุตชชนที่เรียนปริยัตทั้งหมดจะไม่ชื่อว่าเป็นผู้รักษาถามว่าเพราะเหตุใดตอบว่าเพราะความที่ตนมิได้ตั้งอยู่ในฐานะเล่าเรียนจึงอยู่ปริยัตของปุตุชนเป็นได้สองอย่างคือหนึ่ง阿拉คัตูประมาปริยัตบ้างคือเรียนแบบอสสระพิษบ้างเนี่ยนะกับเป็นนิสรณะบ้างส่วนปริยัตของพระเสขทั้งเจ็เป็นนิสรณะอย่างเดียวคือนิธรณนะเนี่ยนะหรือนิสรณะอันเดียวกัน ของพระเสข่าทั้งเจ็ดเลยนะเป็นอย่างนั้นส่วนของพระอรหันต์จึงเป็นแต่คือวันทำสังขยนานั้นลันดาคาริกเนี่ยนะธรรมะพันทาคาริกนั้นถ้าหากว่ายังเป็นปุตุชนอยู่ก็ยังเป็นเป็นได้สองอย่างนะถ้าศึกษาเพื่อปฏิบัติเพื่อความพ้นทุกข์ก็เป็นนิสรณะแต่ถ้าเมื่อไหร่นึกว่าเป็นโก้เป็นเท่เป็นอะไรก็อลรักขทูเข้ามาแล้วคือท่านก็ยกย่องว่าเป็นธรรมะพันทาคาริกเมื่อท่านเป็นพระอรหันต์ไปแล้ว แต่ในตอนต้นก็คือทําหน้าที่เป็นธรรมพันธาคาริกแต่ยังไม่ได้เป็นจริงๆเป็นจริงๆตอนทําสังขยาาเนี่ยนะเป็นจริงๆคือวันทําสังขยนานั่นแหละท่านเริ่มเป็นท่านเป็นธรรมพันธาคาริกจริงๆแต่ก่อนหน้านั้นมาท่านก็เป็นผู้รวบรวมมานะรวบรวมแต่ก็ยังไม่ได้ชื่อว่าเป็นผู้ที่รักษาอย่างแท้จริงเพราะอะไรเพราะท่านยังมีกิจที่จะต้องปฏิบัติเพื่อความเป็นพระอาหารหันตโย ตทงใส่ว่าไม่ตั้งอยู่ในฐานะเล่าเรียนเนี่ยนะครับคําว่าเล่าเรียนในที่นี้หมายถึงศึกษาในศึกษาสามหรือไงฮะคือฐานะของของผู้ที่รักษาเนี่ยคือผู้ทํากิจเสร็จหมดแล้วฐานะของผู้รักษาเนี่ยคือเช่นอะไรทุกก็กําหนดรู้เสร็จแล้วสมุทัยก็ละเรียบร้อยแล้วนิโรธก็ทําให้แจ้งแล้วมรรคก็เจริญอย่างเต็มเปี่ยมบริบูรณ์แล้วอันนี้ที่เรียกว่าเป็น ผู้ที่ทํากิจอย่างนี้เรียกว่าฐานะที่ที่ได้สําเร็จแต่ถ้าหากว่ากิจเหล่านี้ยังไม่ได้ทําเลยทกุก็ยังไม่ได้ทําปริญญาสมุทัยก็ยังไม่ได้ละนิโรธก็ยังไม่ทําให้แจ้งมักก็ยังไม่เจริญจะเรียกว่าตัวเองรักษาได้อย่างไรมันจึงไม่เรียกว่าเป็นฐานะของผู้รักษาอะไรเนี่ยนะอันนี้ก็ข้อความเกี่ยวกับปริยัตก็จบแต่เพียงเท่านี้นะส่วนธรรมะที่เหลือก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับเรื่อง มิจฉาทิฐิและเนี่ยเกี่ยวกับเรื่องแก้ลัทธินะนะซึ่งเป็นข้อปฏิบัติที่เป็นวิปัสนาเนี่ยนะหรือที่เป็นสมถวิปัสสนานั่นเองดูความพิสูจนทั้งหลายเหตุแห่งทิฏฐิหกประการเหล่านี้หประการเป็นไงปุถุชนในโลกนี้ผู้ไม่ได้สดับไม่เห็นพระอริยะไม่ฉลาดในธรรมะของพระอริยะไม่ได้รับคําแนะนําในธรรมะของพระอริยะไม่เห็นสัตว์บุรุษไม่ฉลาดในธรรมของสัตว์บุรุษไม่ได้รับแนะนำในธรรมของสัตว์บุรุษ ก็คือปุตุชนเต็มปุตุชนสมบูรณ์แบบเนี่ยนะย่อมตามพิจารณาเห็นรูปว่านั่นเรานั่นของเรานั่นอัตตาของเราย่อมตามพิจารณาเห็นเวทนาว่านั่นของเรานั่นเรานั่นอัตตาของเราตามเห็นสัญญาว่านั่นของเราเราเป็นนั่นนั่นเป็นอัตตาของเราเห็นสังขารว่านั่นของเราเราเป็นนั่นนั่นเป็นอัตตาของเรา ก็จริงนะเมื่อไรบ้างที่เราเห็นว่าความรู้สึกนึกคิดทั้งหมดไม่ใช่ของเราจริงๆเอบ่อยไหมเจ๊หมอยบ่อยไหมไม่บ่อยนะทุการบ่อยไหมความนึกความรู้สึกนึกคิดทุกชนิดเนี่ยนะ <ST> S> <S ไม่มีความรู้สึกว่าเป็นของเราเลยไม่ได้มีความรู้สึกว่าเป็นเราเลยไม่ได้รู้สึกว่าเป็นอัตตาของเราเลยเนี่ยนะแ <ST S> ม่ใครที่เป็นอย่างนี้นี่หายากมากนะคือเห็นในใช่เราไม่ใช่ของเราไม่ใช่อัตตาของเราเนี่ย พนี่ไม่ง่ายเลยน ะ, สะแสดงว่าสงสัยเราก็ปุถุชนค่อนข้างสมบูรณ์อยู่เหมือนกันนหมไม่ค่อยบกพร่องเท่าไหร่เลยใช่ไหมรักษาประสิทธิภาพได้เยี่ยมมากหรือบางทีก็ย่อมพิจารณาเห็นรูปที่ตนเห็นแล้วเสียงที่ฟังแล้วกลิ่นรสโภชภัณพ์ที่ทราบแล้วอารมณ์ที่รู้แจ้งแล้วถึงแล้วสแสวงหาแล้วไข้ควรแล้วด้วยใจว่านั่นของเราเราเป็นนั่นนั่นเป็นอัตตาของเราเอันนก็คืออารมณ์ทุกอย่างที่ตัวเองรับรู้มันของเราไปหมดเลย เรอยู่เวลาอยู่ในบ้านนะในชัดเลยใช่ไหมอยู่ในบ้านเราคือเห็นในกนในพุทธพจน์บอกว่าเอตังมะมะเนี่ยนะฮะแล้วเราลองไม่เห็นเห็นเห็นอย่างพระองค์มั้งที่ว่าเป็นเนตังมะมะมั้งที่แล้วลองนึกดูนะฮะก็เป็นเรื่องของเหตุผลนะครับนึกนึกเป็นในเหตุผลนะแต่จริงๆแล้วก็ยังมันก็ก็ยอมรับแล้วเออใจใจใจใจอย่างนั้นนะครับก็เท่านั้นเองครับ เพราะว่ามันไม่ใช่รู้จริงไม่ใช่เห็นอย่างนั้นจริงๆจะเห็นด้วยเห็นผลเคือ ค, นนะคือของเราทั้งหลายเนี่ยเป็นเป็นกลุ่มที่เรียกว่าอะไรนะไม่ค่อยนิยมทักษะไม่นิไม่ค่อยนิยมฝึกฝนแต่นิยมอยากให้มันเป็นอย่างนั้นขึ้นมาเองเลยก็ไปเทียท่านเลยครับอาจารย์ญญ <c oughs> คื อ, อที่เห็นเนี่ยนะเขาหมายความาว่าสังเกตเห็นครับสังเกตเห็นว่าเออไอเห็นเนี่ยนะดูสังเกตจากแม่บ้านอะ่ะ เราเห็นจากแม่บ้านทุกครั้งอ่ะที่เขาเขาคิดอย่างนี้เขาพูดตรงนี้อย่างนี้ออกมาเนี่ยนะ mm. เมื่อเขารับอารมณ์อย่างนั้นเนี่ยนะฮพอเขารับอารมณ์อย่างนั้นสมมติว่าผ่านที่ไหนตกแห่งหนึ่งไนงะ mm. แล้วเขาอุดทานออกมาด้วยคําพูดอะไรเนี่ยนะฮะแล้วสังเกตว่าเอ๊ะพอผ่านตรงนี้ทีไรก็จะพูดคําพูดเรื่องนี้ขึ้นมาทุกทีเลยนะฮะเราดูอนนเอ๊ะเขาไม่รู้ตัวนะเนี่ยว่าจริงๆแล้วเนี่ย mm. มันไม่ได้อยู่ในความควบคุมอะไรของเขามันขึ้นอยู่กับปัจจัย ของที่เป็นอารมณ์เอ๊เราลองมาคิดดูมั่งฮรเอ๊ะมันเป็นอย่างนั้นจริงๆก็ได้แค่เหตุผลนะครับคือเราไม่ได้มาเจริญเรื่องนี้เป็นเป็นงานนะนะคือไม่ค่อยโดยทั่วๆไปไม่ค่อยถือว่าเป็นงานนะเช่นงานของเราคืออะไรสมมติว่าถ้าเราเอาภารกิจนะงานของเราคือตามเห็นตาหูจมูกลิ้นกายใจว่าไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราไม่ใช่อัตตาของเราแล้วหาเหตุผลมาสนับสนุนว่าทําไมจึงไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราไม่ใช่ อัตตาของเราอันนั้นแหละคือการเจริญวิป uh. ัสนาเนี่ยนะยนะคือนั้นนหละตั้งประกอบการงานตัวนี้เอาไว้ในจิตว่าจริงๆแล้วนะมันไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราไม่ใช่อัตตาของเราเหตุผลอะไรบ้างที่มาสนับสนุนว่าไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราไม่ใช่อัตตาของเราก็หาเหตุผลทั้งหมดมาสนับสนุนว่าเออเป็นอย่างนั้นจริงๆแล้วยอมรับด้วยใจจริงๆอันนี้โดยทั่วๆไปเรายอมรับตามพระพุทธเจ้าใช่ไหมพระพระองค์ตรัสก็เป็นเช่นนั้นแล้วก็ด้วยเหตุผลเราเออก็ใช่เอาไม่ได้ ไม่ได้สำคัญว่าจะต้องเจริญอย่างนี้เป็นเป็นเรื่องเป็นราวว่างั้นเอาเป็นการเป็นงานเป็นอาชีพเป็นเป็นชีวิตจิตใจของเราอะนะน้อยนักที่จะคิดลักษณะว่านี่คือภารกิจของเราต่อไปนี้คือการตามเห็นตาหูจมูกลิ้นกายใจว่าไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราไม่ใช่อัตตาของเราเนี่ยนะอันนี้คืออาชีพของเราเลยนะอันนี้คือพรหมจรรย์ของเราแล้วนะก็สมท า, านปฏิบัติอย่างนี้ไปเลย คุณภาได้สมาทานได้ยังยังยังกระเป๋าไม่เจอรูอย่างงั้นก็คงจะพูดง่ายๆว่าหาโทรศัพท์ไม่เจอก็ไม่บ่อยนี่ใ่ไแต่ว่าจริงๆก็เคยสังเกตว่าพอเราเก็บมาได้บ่อยเนะเราไม่ค่อยลืมบ่อยมันก็เลยแต่เราก็คิดว่าเอ๊ะเราก็สังเกตกันว่าวันๆหนึ่งเราก็ไม่ได้บอกว่านี่เราเน้นเราทําอะไรก็พูดให้ชัดๆนะอย่างก็เราเนี่ยเป็นคนสังเกตเราอยู่เราก็ยังสังเกตอยู่นะ ก็ยังมีผู้สังเกตคือจริงๆเนี่ยนะแค่มีที่ถีลงไปว่าเรานะเรานะไม่ไม่มีเท่าไหร่อะค่ะแน่ใจนะน่าจะสังเกตนะสเกตเเวลากระเป๋าไม่เจออย่างงั้นก็คงจะพูดง่ายๆว่าหาโทรศัพท์ไม่เจอก็ไม่บ่อยนี่ะะแต่ว่าจริงๆก็เคยสังเกตว่าพอเราเก็บมาได้บ่อยนะเราไม่ค่อยลืมบ่อยมันก็เลย แต่เราก็คิดว่าเอ้ยเราก็สังเกตกันว่าวันวันหึงเราก็ไม่บอกว่านี่เรานั้นเราทำอะไรอย่างงี้ก็พูดให้ชัดชนะอย่างก็เราเนี่ยเป็นคนสังเกตเราอยู่นะเราก็ยังสังเกตอยู่นะก็ยังมีผู้สังเกตคือจริงๆเนี่ยนะคือพูดแบบภาษาเนี่ยนะพูดแบบตรงตรงเลยปุชนเนี่ยมันช่าอยู่ในเรื่องนั้นจนเหมือนกับว่าไม่ได้ยึดถืออ่าเหมือนกับไม่ได้ยึดถือ ถามาเวลารู้เวลารู้ว่ามันมันมีปัญหาหรือว่าส่วนที่เรายึดถือเนี่ยสังเกตจากอะไรรู้ไหมทางธรรมะเขามีเครื่องตรวจนะว่าเรายึดถือหรือไม่ยึดถือเนี่ยสังเกตดูถ้าหวั่นไหวกับเรื่องนั้นเช่นถ้าสิ่งนั้นมันเสียหายแล้วเราหวั่นไหวนะภาษาธรรมะเรียกว่าสะดุ้งถ้ามีอาการสะดุ้งจากสิ่งนั้นขึ้นมานะเช่นกระเป๋าสตางค์หายแล้วสะดุ้งอย่างเงี้ยนะโอ้แสดงว่าไอ้ความสําคัญว่าเป็นของเราเนี่ยบานเต็มที่แล้วล่ะเต็มเตี่ยมแล้วล่ะหรือว่า ขอดอกเท้าทิ้งไว้เลยหาไม่เจอเลยนะสะดุ้งอ่ะนะสายสายถอสายตาหาใหญ่เลยอะ่ะนั่นแหละเทว่าเต็ที่แล้วแหะเนี่ยกรับเข้าห้องแล้วหาห้องไม่เจอเนี่ยนะอยู่ไหนเหลวซ้ายเหลวขวาล็กลักลักลัลลแสดงว่าแต่ทีนี้ว่าโดยทั่วๆไปเนี่ยมันเป็นมากจนไม่ได้สังเกตจริงๆคือมันก็พระโสดาบันก็ยังสะดุ้งอยู่พระโสดาบันนะยังยังสะดุ้งอยู่แต่ก็ บุตรชนทั่วๆไปก็ไม่ควรเอาไปเทียบกับท่านถามว่าเพราะอะไรเพราะท่านมีโสดาปฏิมรักเป็นเครื่องรองรับอยู่แล้วเนี่ยนะคือเหมือนอย่างว่านะเหมือนอย่างว่าคนเรียนธรรมะเนี่ยนะกลับไม่เรียนธรรมะยังโกรธอยู่ไหมคนเรียนธรรมะเรโกรธใช่ไหมแล้วชาวป่าชาวเขาก็โกรธใช่ไหมใช่แล้วเปรียบกันได้ไหมไม่ได้เพราะเหตุผลใดเพราะว่าผู้ที่ศึกษาก็ยังรู้วิธีการรู้อะไร ผารยาทั้งหลายเนี่ยท่านเวลาท่านโกรธท่านอากุศลธรรมเกิดขึ้นท่านรู้ว่าอะไรเป็นอะไรแต่ปุถุชนทั้งหลายทั่วๆไปนะที่ไม่ได้ศึกษาพระธรรมเนี่ยไม่คิดนะว่ามันมีโทษสมมุติถ้าเราไม่สบายใจอย่างใดอย่างหนึ่งขึ้นมานะเรามีความรู้สึกว่าเราผิดไหมสมมติมีใครทำทำสร้างปัญหาให้เรานะแล้วเราไม่สบายใจเลยเนี่ยเรามีความรู้สึกไหมว่าเราผิดที่เราไม่สบายใจเรื่องนั้นก็เอาเรื่องแบบเรื่องชนิดที่เราแบบนี้นะ เช่นคนอื่นเขามาสร้างปัญหาให้เราเราเครียดมากเลยนะเราคิดม า, าเนี่ยเพราะความเป็นปุตุชนนะเนี่ยเราจึงต้องโภสะจึงเกิดบาปเกิดอกุศลอกุศลเหล่านี้มันมีโทษมันให้ผลเป็นทุกข์มันไม่ค่อยอย่างนั้นไงเพระไอคนนั้นแหะมันสร้างความเดือดร้อนให้เราถ้าไม่มีเจ้านั่นนะฉันไม่ป่วยแบบนี้หรอกท่านแสดงว่าเราเห็นโทษตัวอัพญญากตะธรรมมากกว่าอากุศลธรรมเนี่ย เ, ยเพราะคําำนั้นแท้ๆนะแสดงว่าเราโทษอะไร คำคำก็เป็นอัพยากระตาธรรมใช่ไหมเพราะคำนั้นแหละเราจรึงไม่สบายใจเพราะเราวิจารณญาณโดยรวมๆแล้วก็ค่อนข้างพูดตรงๆก็คือค่อนข้างไม่ค่อยแม่นนะนะไม่ค่อยแม่นว่าอะไรเป็นเป็นสิ่งมีโทษอะไรถ้าเอาความไม่มีโทษอย่างแท้จริงแต่ทีนี้ถามว่าไอ้ก็ตอนอย่างเงี้ยเราก็รู้ขนาดนี้เลยหรือเนี่ยนะน้อยคนนักจริงๆนะที่จะเห็นโทษว่าเนี่ยนะคุณของพระธรรมเลยเนี่ยนะนะสมมุติเราไม่สบายใจเรื่องอะไรเนี่ยนะ น้อยนักนะที่จังเกตแหมมุ่งมาที่ไอตัวนะไม่มีพระธรรมอยู่ในใจเลยอะไรจะเกิดขึ้นตอนนั้นนั่นแหละคือธรรมชาติของเราล้วนๆเลยนะตอนที่เรานึกพระธรรมไม่ออกเลยแก้ปัญหาแบบเราแก้เองนะไม่มีพระธรรมนำหน้าตามหลังไม่มีอะไรสักอย่างเลยนะว่าของเราไปเองล้วนๆเลยนะตอนนั้นเนี่ยเห็นชัดเลยว่า ม, มันขนาดนั้นเลยนะถ้าเอาความรู้พระธรรมมาเข้าไ ป, ไ, ปไปวิจัยเนี่ยจึงรู้เลยว่าโอ้โ อ, โอ้มันเป็นเอามากขนาดนี้เลยหรือเนี่ย น้อยคนนะักจริงๆนะที่จะเห็นโทษว่าอากุศลและทำในะไม่ดีเลยเนี่ยนะสมมติถ้าเราไม่สบายใจเรื่องอะไรเนี่ยนะน้อยนักนะที่จะแหมมุ่งมาที่ไอตัวจิตเป็นอกุศลนั้นเนี่ยมันเลวร้ายมากก็อาจจะมีบ้างนะอย่างที่ผู้การว่านะอกุศลเวลาเกิดขึ้นก็ใส่ใจเลยใช่ไหมว่า น, นี้อมิตรภายในได้เกิดขึ้นแล้วนี้ฆ่าศึกภายในได้ได้ประหัประหารข้าพเจ้าแล้วนี้ศัตรูภายในนี้เพชฌฆาดภายใน นี้สนิมที่เกิดขึ้นเพื่อทำลายเหล็กเนี่ยนะใส่ใจแบบนี้เลยจริงๆเป็นเรื่องเป็นราวเลยน ะ, ะมีจิตสติใส่ใจแบบนี้บ่อยไหมไม่บ่อยนะอันนี้ส็สมตัวอย่างที่หนึ่งตัวอย่างที่สองป้าสุรีถ้าไม่สบายใจสักอย่างหนึ่งเป็นอย่างนั้น นี้อ ม, มิตรภายในนี้เทจข้าดภายในนี้ผู้ฆ่าภายในนี้ศัตรูภายในนี่บาปประทับภายในนี้แกทําสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์ให้เกิดขึ้นมันทําจิตให้กําเริบภัยที่เกิดในภายในเราไม่รู้สึกว่าอนี่มันเป็นภัยนะเมื่อเนี่ยเรานึกถึงคําสอนเป็นต้นไม่ได้ก็เพราะแกนี่แหละอาคุศนเอ๋ยเอาไปเรล่าไปราวอย่างนั้นมีไหมมีบางครั้งนะก็หวังว่าหลังจากนี้ไปก็คงอะไรอะไรสมาทานเล่นงานกับฆ่าศึกเลยนะ คือโดยทั่วๆไปนะเราก็ไม่ไม่ค่อยคิดว่าอากุศลที่อยู่ในภายในเป็นศัตรูเราไหมเป็นแมงมีอยู่มวนโดยสามัญสะสำนึกจริงๆนยว่าอากุศลที่อยู่ในภายในเนี่ยเป็นค่าสุดจริงๆเนี่ยนะเช่น ว, ว่าโอ้โหทำไมอาหารอร่อยจังวันนี้เนี่ยนะบริโภคจนลืมอาหารเรปฏิกูลสัญญาลืมกรรมฐ า, านอิ่มมาแล้วนึกได้โอ้ โอ้นี่ค่าศึกเล่นงานเรานานขนาดนี้เลยเชหรือเนี่ยนะโอ้หศัตรูภายในแท้ๆเลยนะเกิดขึ้นมาทำให้ลืมกรรมฐานไปหมดเลยก็น้อยคนนักนะที่จะคิดว่าไอ้ความอักุุลเหล่านั้นมันเป็นเป็นสิ่งที่มีโทษเนี่ยนะก็จะไปโทษเรื่องอื่นไปแล้วบอกคนนั้นก็ชวนคุยอ่ะบบตอนนั้นก็เอาละกันนี้เอาจนวุ่นวายไปหมดเลยนะเพราะฉะนั้น กลุ่มปุตตชนทั้งหลายเนี่ยโดยรวมๆแล้วไม่ค่อยรู้ว่าไม่รู้กิจของธรรมะนะว่าอะไรเป็นธรรมที่ควรรู้ยิ่งอะไรเป็นธรรมที่ควรตาหนดรู้อะไรเป็นธรรมที่ควรละอะไรเป็นธรรมที่ควรทําให้แจ้งอะไรเป็นธรรมที่ควรจเจริญะวิจารณญาณอันนี้ลงในชีวิตจริงๆค่อนข้างอ่อนเห็นนะค่อนข้างอ่อน ะแต่ตอนแรกก็ไม่เป็นไรก็ให้สาธยายไปก่อนเนี่ยนะพอสาธยายมากๆแล้วพอเริอดคุ้นๆเนี่เราก็เริ่มเรับมาเล่นงานแล้วนะเขามาถามว่าอันนี้จริงหรือเปล่าแต่ตอนแรกก็ต้องให้ไปสาธยายไปท่องไว้ก่อนเนี่ยจะได้ไม่ไหวก็มากขึ้นเนี่ยนะก็เมื่อไรที่พีอิตมองเห็นใกล้เมื่อนั่งใกล้ก็เงียโสดเมื่อเงียโสดก็คือในชั้นแรกก็ต้องท่องต้องอะไรไว้ก่อนคืออะไรเนะให้อ่า ขีดร่องให้เป็นไปตามคําสอนก่อนอ น, นะมันเหมือนการขีดร่องตัวเองให้ไหลไปหาคําสอนไว้ตลอดพออะไรเกิดขึ้นมาก็ร่องไปตามคําสอนเยตอนตอนแรกอาจจะไม่เข้าใจอะไรสักเท่าไหร่เนี่ยนะแต่ตอนหลังก็ก็จะเป็นไปได้ท่านปุตุชนทั้งหลายเนี่ยถ้าไปเอาเป็นเรื่องเป็นราวเป็นจริงเป็นจังในตอนแรกมันก็ไม่ไหวนะเพราะฉะนั้นอธิบายเหตุผลไปทั้งหมดมันก็คงไม่ไหวก็เอาไปจําก่อนเมื่อเข้าไปหาก็อะไร ตามกีตาร์ฮริสูตรเข้าไปหาก็นั่งใกล้เหมือนนั่งใกล้ก็เงียโสดเมื่อเงียบโสดก็ฟังเมื่อฟังแล้วก็ทรงจําเอาไว้ถ้าสิ่งนั้นเป็นของดีจริงก็เอาไปเพ่งไข้ค ร, ควรัวแล้วยังไงก็ต้องอย่างประโยชน์ให้สําเร็จถ้าธรรมะนั้นไม่มีความผิดพลาดถ้าธรรมะนั้นเป็นธรรมที่ถูกต้องเป็นธรรมที่มาตรฐานพี่จะว่าไงกราบแต้แสการเจคะ่ะก็การท่องเนี้ยนะคะใหม่ๆ ม, มันก็ได้เจ็ดทองท่องทองทอะไรเจ้าคะ่ะ แต่ว่าพอตอนหลังเนี่ยก็มักจะนำมาพิจารณาในต อ, อย่างก็ค่อยๆไปทีละนิดใช่ไหมคะคือประโยชน์ของการท่องเนี้ยมีมากจริงๆแล้วเนี่ยเวลาท่องจนชำนาญมากขึ้นเนี่ยจะนำมาพิจารณาบางจุดบางครั้งมันก็จะใส่ใจในความเป็นในชีวิตประจำวันของเราได้มากขึ้น จากสิ่งที่เราท่องเอาไว้นั่นเองซึ่งเดิมเนี่ยเราก็ไม่เข้าใ จ, จะเจ้าค่ะว่ามันเป็นยังไงแต่ว่าพอตอนหลังเนี่ยมันจะค่อยๆทีละนิดแต่เจ้าถ่ะมันไม่ถึงกับมากมายอะไรการท่องเนี่ยนะมันทําให้ทัดโดยเฉพาะท่องจําทั้งเบื้องต้นท่ามกลางและที่สุดเนี่ยจะมีอุปการะมากการศึกษาพระธรรมในยุคหลังมาเนี่ยเท่าที่สังเกตเนี่ยนะไม่ค่อยมีเบื้องต้นท่ามกลางแลย อ่าที่สุดแม้ mm hmm. กระทั่งรายการสนทนาธรรมโดยมากที่เราฟังฟังแล้วเนี่ยไม่ค่อยมีเบื้องต้นท่ามกลางและที่สุดโอเลยไม่รู้ว่าคุยให้มันเป็นอะไรเนี่ยนะพูดให้เป็นอะไรเพราะอะไรเพราะไม่เห็นเบื้องต้นท่ามกลางแล้วที่สุดการตรึกการสาธยายพระธรรมในเบื้องต้นก็เหมือนกันถ้าเราจําเป็นสูตรมาเนี่ยนะสูตรสั้นๆก็ได้เพราะในสูตรนั้นมีเบื้องต้นท่ามกลางและที่สุดอยู่ในตัวอยู่แล้วเอาเหอะพระพุทธเจ้าตรัสสูตรไหนที่พ้นพระนิพพานไม่มี ที่สุดก็ต้องลงที่อมตะนิพานอยู่แล้วเพราะถ้าเรามาตึกเห็นตามนั้นจริงๆเน่ก็จะมีเบื้องต้นท่ามกลางและที่สุดถ้ารู้เบื้องต้นท่ามกลางที่สุดเนี่ยนะเราจะรู้ว่าสิ่งที่เรากําลังคิดอยู่เนี่ยมันอยู่ในระหว่างไหนมันอยู่ช่วงไหนสมัยใหม่เขาชอบใช้คําว่าอยู่ขั้นไหนอะไรก็คือแสดงว่ารู้ขั้นล่างกว่านั้นใช่ไหมรู้ขั้นบนกว่านั้นอะจึงใส่ขั้นอาอันนี้มันอยู่ขั้นไหนมันก็สามารถที่จะเอาไปพิจารณาแต่ถ้าเราทรงจําอะไรไม่ได้เลย ไม่รู้ว่าตอนนี้มาถึงไหนแล้วจะไปไหนอนนะเหมือนเดินทางมาอินเดียใช่ไหมไม่รู้สักอย่างว่านี่มาถึงไหนแล้วแบบยมพ่อเขาบอกพรุ่งนี้จะไปไหนเขางั้นถามบอกตอบได้หรือเปล่าว่ามาจากไหนเนี่ยนะเจอคนดีก็ดีไปถ้าเจอคนไม่ดีก็สักอย่างหรอก็กคล้ายๆลักษณะเนี่ยนะเหมือนไปสมัครงานจะไปต่างประเทศฉันั้นอนนั้นไม่รู้จะไปอันนะั้นแต่ทีนี้ถ้าเป็นอย่างนี้ก็ดูว่าใครชักนําอีกครั้งหนึ่งอ่ เพราะว่าถ้าอย่างงี้มันอยู่ที่เขาคนที่มันนาไปใช่ไหมถ้าเขานาดีก็ดีไปถ้านําไม่ดีก็เสียหายไปถ้าเราวินิจฉัยอะไรไม่เป็นเลยนะเราแทบไม่มีโอกาสรู้เลยว่าเขาจะพาเราไปไหนในการศึกษาพระธรรมก็เหมือนกันเนะนี่ยนะในในทางทิฐิก็เหมือนกันถ้าเราศึกษาจนแยกอะไรไม่เป็นเลยเราจะไม่รู้เลยว่าเขาจูงเราไปไหนถ้าเจอคนดีก็ดีไปถ้าเจอคนไม่ดีก็ ก็ไม่รู้อะไรจะเกิดขึ้นเหมือนไปสมัครงานจะไปต่างประเทศฉันนั้นนะไม่รู้จะไปขุดทองหรือว่าไปถูกไปหมดตัวมาจากนั่นก็นไม่ทราบนี่ก็ลักษณะเดียวกันว่าการศึกษาพระธรรมในยุคนี้นี่มันก็คงอย่างนี้แหละนะเราก็คิดว่าใครหนอจะคิดว่าคนที่ฉันคบด้วยเป็นพานเราก็ถือว่าเราคัดสรรมาดีที่สุดแล้วใช่ไหม เราจึงครบเนี่ยนะเราจึงครบหาสมาคมเราจึงเกี่ยวข้องเราก็มั่นใจว่าดีจริงๆล่ะมนก็มันก็เป็นอย่างนี้แหละเพราะการทรงจำพระธรรมเนี่ยนะจึงเป็นสารณะของเราอย่างแท้จริงเพะนั้นถ้าเราไม่เอาพระธรรมที่ที่ทรงจำเอาไว้มาตรึกมาพิจารณาเนี่ยเราก็จะไม่มีสารณะอะไรเลยเนะจริงๆแล้วศึกษาพระธรรมเนี่ยใครถ้าจาอะไรไม่ได้เลยเนี่ยเขาห่างสารณะมากๆเลย เราเล่านึกเลยนะว่าเขาจะช่วยเหลือตัวเองในระยะยาวได้ยังไงเนาะเหมือนกับว่าอะไรนะเหมือนกับว่าถ้าอยากสมมติเราอยู่ในห้องเงี้ยแล้วก็สมมติถ้ามันจะมืดทั้งคืนเลยแล้ ว, ลวคุณจะต้องไปเนี่ยคุณจะไปไหนต่อไปคิดหรือว่าจะเข้าห้องถูกฉันใดถ้าเราทรงจําคําสอนอะไรไม่ได้คิดหรือรอเราจะแทงตลอดพระธรรมแทงตลอดอมะตะ น, นิพพานเพราะเรายังไม่รู้เลยว่านิพพานมันคืออะไรเพราะเราจําไม่ได้อานะ ให้ไปหาคนคนหนึ่งนะโอ้หาใครเนี่ยไปแล้วก็จะเริ่มสับสนเริ่มวุ่นวายดังั้นการฟังพระธรรมคําสอนฟังจนกว่าจะมีสามัญญสัมนึกก่อนนะแบบที่เรียกว่าพระอริ ย, า ส, ารรยาสาวกเนี่ยพระอริยสาวกเนี่ยท่านจะเห็นทุกอย่างว่านั่นไม่ใช่ของเราเราไม่เป็นนั่นนั่นไม่ใช่อัตตาของเราท่านจะมานัสการอารมณ์ใดอารมณ์หนึ่งเนี่ยท่านมีสามัญญสัมนึกอย่างนั้นจริงๆสามัญญสัมนึกเลยว่าเกี่ยวข้องในสิ่งที่ไม่ใช่ ไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราไม่ใช่อัตตาของเราท่านจะคิดถึงอะไรก็ได้สักอย่างหนึ่งขึ้นมาเนี่ยสามัญจะสานึกท่านบอกเลยว่านั่นไม่ใช่เราไม่ใช่ขอไม่แม่นนะยิ่งไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราไม่ใช่อัตตาของเรายิ่งรุ่นวายมากนี่เนี่ยเป็นเราเป็นรุ่งมากเลยนะต้องแยกให้อย่านี้นะสาธุสาธุขอให้จริงอย่างที่ว่าคือต้องหมั่นใส่ใจบ่อยๆนะเพื่อแม้แม้กระทั่งว่าเราคิดถึงชีวิตของเราพรุ่งนี้เอ้าแม้กระทั่ง ถึงเราจะไปสิ่งนั้นไอ้นั่นก็ไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราไม่ใช่อัตตาของเราตัวความคิดอันนี้ก็ไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราไม่ใช่อัตตาของเราแต่ถ้าปัญญาตัวนี้ดีนะต้องแยกให้ออกนะอะไรเป็นกุศลอกุศลเนี่ยไอ้ตัวนี้เนี่ยถ้าเบื้องหลังตัวนี้ไม่แม่นนะยิ่งไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราไม่ใช่อัตตาของเรายิ่งวุ่นวายมากเนี่ยนะยิ่งยิ่งยุ่งมากเลยนะ ต้องแยกให้ออกว่าอะไรเป็นกุศลอกุศลอะไรมีโทษอะไรไม่มีโทษอะไรเป็นธรรมดำําอะไรเป็นธรรมขาวพวกนี้ต้องแม่นยํามากๆเลยนะอะไรเป็นกรรมอะไรเป็นผลของกรรมเป็นต้นถ้าแม่นยําตัวนี้แล้วก็ใส่ใจในเหตุผลมองเหตุมองผลออกอย่างตลอดสายนั่นแหละว่านั่นไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราไม่ใช่อัตตาของเราถ้าอย่างนั้นไม่ค่อยพลาดหรอกแปลมายคําว่าบุญบาปก็ไม่ค่อยรู้เลยนะ อวากุศลมันเกิดขึ้นเออใช่มันไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราไม่ใช่อัตตาของเราดูที่มันเกิดขึ้นแล้วอ่ะ